กรรมวาจาขอให้สงแสดงพื้นที่สร้างวิหารภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบดังนี้370ท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้ต้องการจะสร้างวิหารใหญ่ที่มีเจ้าของสร้างถวายสร้างเป็นของส่วนตัวภิกษุนั้นขอให้สงแสดงพื้นที่สร้างวิหารถ้าสงพร้อมกันแล้ว พึงไปแสดงพื้นที่สร้างวิหารให้แก่ภิกษุชื่อนี้นี่เป็นบัญญัติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าภิกษุชื่อนี้ต้องการจะสร้างวิหารใหญ่ที่มีเจ้าของสร้างถวายสร้างเป็นของส่วนตัวภิกษุนั้นขอให้สงฆ์แสดงพื้นที่สร้างวิหารสงแสดงพื้นที่สร้างวิหารให้แก่ภิกษุชื่อนี้ท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแสดงพื้นที่สร้างวิหารให้แก่ภิกษุชื่อนี้ ถ้ารูปนั้นพึงนิ่งถ้ารูปใดไม่เห็นด้วยถ้ารูปนั้นพึงทักท้วงพื้นที่สร้างวิหารสงแสดงให้แก่ภิกษุชื่อนี้แล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือเอาความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้371ที่ชื่อว่าเป็นพื้นที่มีอันตรายคือเป็นพื้นที่อยู่ของมดเป็นพื้นที่อยู่ของปลวกเป็นที่อยู่ของหนู เป็นที่อยู่ของงูเป็นที่อยู่ของแมลงป่องเป็นที่อยู่ของตะขาบเป็นที่อยู่ของช้างเป็นที่อยู่ของม้าเป็นที่อยู่ของราชสีเป็นที่อยู่ของเสือโคร่งเป็นที่อยู่ของเสือเหลืองเป็นที่อยู่ของมีเป็นที่อยู่ของสุนัขป่าหรือเป็นที่อยู่ของสัตว์ดิรชานบางเหล่าอยู่ใกล้นาอยู่ใกล้สวนอยู่ใกล้ตะแลงแกงอยู่ใกล้ที่ทรมานนักโทษ อยู่ใกล้สุสานอยู่ใกล้อุทยานอยู่ใกล้ที่หลวงอยู่ใกล้โรงช้างอยู่ใกล้โรงม้าอยู่ใกล้เรือนจําอยู่ใกล้โรงสุราอยู่ใกล้ร้านขายเนื้ออยู่ใกล้ถนนอยู่ใกล้ทางสี่แยกอยู่ใกล้ที่ประชุมหรืออยู่ใกล้ทางเดินนี่ชื่อว่าพื้นที่มีอันตรายที่ชื่อว่าเป็นพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบคือเกวียนที่เขาเทียมวัวตามปกติไม่สามารถถวนไปได้ บันไดไม่สามารถจะทอดเวียนไปได้โดยรอบนี้ชื่อว่าพื้นที่ไม่มีบริเวณโดยรอบที่ชื่อว่าเป็นพื้นที่ไม่มีอันตรายคือไม่ใช่ที่อยู่ของมดไม่ใกล้ทางเดินนี้ชื่อว่าพื้นที่ไม่มีอันตรายที่ชื่อว่าเป็นพื้นที่มีบริเวณโดยรอบคือเกลียนที่เขาเทียมวัวตามปกติสามารถทวนไปได้บันไดสามารถทอดเวียนไปได้โดยรอบ นี้ชื่อว่าพื้นที่มีบริเวณโดยรอบวิหารที่ชื่อว่าใหญ่คือวิหารที่มีเจ้าของที่ชื่อว่าวิหารได้แก่ที่อยู่ซึ่งโบกฉาบเฉพาะภายในหรือภายนอกหรือโบกฉาบทั้งภายในภายนอกคําว่าสร้างคือสร้างเองหรือใช้คนอื่นสร้างคําว่าไม่พาภิกษุทั้งหลายไปแสดงพื้นที่ให้คือไม่ขอให้สงสแสดงพื้นที่สร้างวิหารด้วยยติทุติยกรรมวาจากร สร้างเองหรือใช้คนอื่นสร้างต้องอาบัตทุกกฎเพราะความพยายามแต่ละครั้งยังเหลืออีกอีกก้อนหนึ่งจึงจะเสร็จต้องอาบัติทุลใจอีกก้อนสุดท้ายเสร็จแล้วต้องอาบัตสังคาธิเศตคําว่าเป็นสังคาธิเศตความว่าสําหรับอาบัตานั้นสงเท่านั้นให้ปริวัดเพราะเหตุนั้นจึงตรัสเรียกว่าเป็นสังคาธิเศต